เป็นอีกตอนหนึ่งของการผจญภัยปีศาจในชุดไอ้เรืองพเนจรผมกับพี่ใหญ่และนะเกื้อเข็ดขยาดการเล่นกับพูดผีปีศาจเหลือเกินตกลงกันว่าแม้จะเมาไม่เท่าใดก็ไม่แสดงอีกแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาจะหาคำชมเชยว่ากล้าผีก็ไม่ทราบว่าจะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นนะเกื้อแจ้งกับนายดอนช่างมกรสันเด็ดขาดว่าขอเลิกสิ่งที่ประพฤติมาแล้ว และขอพักการชุมนุมชั่วคราวเนื่องจากการสร้างถนนให้แล้วเสร็จนั้นจะต้องทำกลางคืนด้วยกันความจริงก็เป็นดังนั้นทางผู้รับเหมาเขากำหนดมาแล้วมีเวรมีกะก็เข้าทำงานกันใครสมัครทำกลางคืนกลางวันก็พักได้ใครทำกลางวันกลางคืนก็พักตามธรรมดาผมกับพี่ใหญ่ขออยู่ทำกลางวัน พักกลางคืนส่วนนาเกือ้อเมื่อเกิดเร่งงานดังนั้นแกก็สั่งสร้างเพิงพักข้างถนนให้คนงานนอนเว้นนาเกื้อนั้นคุมงานกลางคืนกลางวันกลับบ้านพักการประชมมุมเมาเหล้าจึงต้องงดกันไปเอง ถนนแถวสนามยิงเป้านั้นทำเสร็จไปแล้วกําลังทำต่อไปไกลอีกมากเพิงพักคนงานก็ไปอยู่ใกล้กๆแถวนั้นนั่นเองผมกับพี่ใหญ่บางคืนก็นอนที่เพิงคนงานบางคืนก็ไม่ได้นอนเพราะว่าพอมีที่จะพักพิงได้อีกแถวสนามเป้าที่เก่าที่ตลาดที่ตรงข้ามสนามเป้านี้อยู่ซ้ายมือสนามยิงเป้าของทหารอยู่ขวามือเดินเข้าไปลึกหน่อยในย่านนี้มีหมู่บ้านอยู่มากหลังพอควรเพราะเป็นแหล่งที่ทาการของทหารแห่งหนึ่ง เมื่อเข้าไปถึงทุ่งนาก็จะมีโรงพักร่มให้ทหารต่อนน้นก็จะเป็นทุ่งกว้างและไกลแค่ระยะปืนยิงเป้ามีเชิงเนินดินและก็ติดป้ายเป้าให้ยิงและมีทหารซ่อนตัวอยู่ในครูสนามหน้าเชิงเทินเป็นผู้ชี้เป้าผิดและถูกเมื่อการยิงเป้าของทหารต้องเป็นงานประจำทั้งชั้นนายและพลการติดตลาดก็ต้องมีขึ้นเมื่อมีการขายอาหารชาวบ้านแถวนั้นก็ค่อยๆมากขึ้นตามตัว กลางคืนมีขนมขายบ้างร้านสองร้านเพื่อชาวบ้านและเจ้าหน้าที่แถวนั้นทั้งยังมีโรงลิเกสอีกด้วยแต่ไม่ได้เล่นทุกคืนตามแต่เหมาะแก่ชาวบ้านแถวนั้นบางทีก็ห่างการแสดงไปบางทีก็ถีสองสามคืนติดกันอยู่ที่คนดูจะน้อยจะมากก็เป็นการคลึกคลื้นของหมู่บ้านชานเมืองพอดูมีทั้งของหวานและของข่าวขายหน้าโรง ตลาดนี้ได้เป็นที่พึ่งของชาวบ้านแถวนั้นมีอาหารดีๆพอควรชาวบ้านแถววัดมะกอกและพญาไทยมกสันได้พึ่งเป็นส่วนใหญ่ถ้าใครไม่ขี้เกียจก็ไปจ่ายไกลถึงตลาดประตูน้ําสะปทุมแต่พวกพญาไทยไปไม่ไหวจ่ายกันเอาใกลๆ้ๆนั่นเป็นการสะดวกอีกประการหนึ่งหลังตลาดออกไปมีเล้าเป็ดเล้าไก่แล้วก็เล้าหมูมากอาหารจึงอุดมสมบูรณ์และไร่ผักก็อยู่ในย่านนั้นพวกปลาน้ําจืดก็หาง่าย มีบึงมีบ่อแล้วก็มีหนองมีแอ่งมากมายปลาก็ชุมได้การจึงมีพวกหาปลามาขายให้ตลาดไม่ขาดเลืออาหารจึงอุดมสมบูรณ์ดีมีห้องแถวอยู่ในตลาดหลายแถวและห้องหนึ่งก็เป็นร้านขายข้าวแกงเจ้าของเป็นผู้หญิงกลางคนพวกชาวตลาดมักเรียกกันติดปากทุกคนอายุไหนก็เรียกกันว่าเจ๊เนยแกมีผัวเจ๊แต่ก็ตายไปแล้วเจ๊เนยของเราเป็นไม้ ผมกับพี่ใหญ่กินข้าวแกงกลางวันที่ร้านแกจนคุ้นเคยกันดีพอใช้ได้บางคราวถึงกับนอนค้างที่ร้านแกเลยก็มีโดยนอนที่แผงลอยหน้าร้านของแกซึ่งแกก็อนุเคราะห์กางมุ้งปูเสือให้ทั้งผ้ากั้นบงังถ้าวันไหนเราขี้เกียจกลับไปนอนเพิงพักเจ้เนยมีความจริงอายุแค่ผมนี่แหละแต่ก็ไม่น่าจะไปเรียกแกว่าเจ๊แต่ก็เรียกตามคนอื่นในญ่านนี้อายุแกะก็คราวน้าของผมแต่ใครๆก็เรียกกันว่าเจ๊ เราก็เลยเรียกนะก็จะดูขัดกับคนอื่นเพราะพี่ใหญ่เพื่อนผู้พี่ของผมเขาเรียกแกว่าเจ้ผมก็ไม่เจ๊มันจะดีที่ไหนตามที่ผมจับสังเกตดูก็รู้ว่าแกรักพี่ใหญ่ในฐานะชู้สาวแต่พี่ใหญ่นั้นทำเฉยเพราะรู้สึกว่าเจ๊แก่ ก, กว่ามากทั้งแกก็ไม่ใช่คนสวยด้วยรูปร่างทุ้มๆหน้าตาก็ธรรมด า, รรมดาลูกเต้าไม่มีตายหมดครองตัวอยู่คนเดียวในตลาดนั้น ความจริงผมสงสารแกถ้าพี่ใหญ่จะรักแกตอบบ้างก็คงจะดีถึงแกจะไม่สวยแต่แกก็ใจดีอาหารการกินที่ขายให้เราก็เป็นกันเองคิดเงินบ้างไม่คิดเงินบ้างบางคราวยังมีแถมซื้อเหล้าเลี้ยงเราซะด้วยซึ่งเราสองคนมักจะกินเหล้าที่ร้านแกตอนเย็นๆเสมอแกมักจะดื่มกับเราบ้างเล็กน้อยก่อนอาหารเจ๊ J. ของเราชอบลิเกนักเรียกว่าเป็นขาประจําเลยทีเดียว ถ้ามาแสดงเมื่อไหร่พวกลิเกมักจะมากินข้าวแกงที่ร้านของแกบังเอิญพี่ใหญ่ของผมก็เป็นลิเกเก่าเมื่อพบกับพวกลิเกก็คุยกันดื่มเหล้ากันเมื่อรู้ว่าพี่ใหญ่เล่นลิเกได้ก็เกิดชวนกันไปร่วมแสดงเป็นตัวประกอบครั้นที่ใหญ่ได้ไปร่วมแสดงกับเขาก็พยายามไว้ลวดลายของตัวประกอบเป็นที่ถูกใจคนดูนักเจ๊เนยเนี่ยก็ยิ่งชอบยิ่งบูชาหนักขึ้นข้าวปลาอาหารชัดจะกินเปล่ากันขึ้น ผมเป็นคนดูดายไม่ได้เมื่อกินเปล่าก็คิดตอบแทนผมล้างถ้วยล้างชามแล้วก็หม้อไหกระทะกระทิงให้แกเรียบร้อยแถมช่วยตำน้ำพริกที่แกงจะขายให้ด้วยตักน้ำตัดท่าผมก็ทำจนเสร็จเรียบร้อยเรื่องของคนทำงานหนักนะหรอทำให้แกแค่นั้นไม่สะเทือนกาลังเลยครับต่อข้างตลาดนี้มีคนเดินเข้าออกกันไม่ขาด เพราะว่าหลังตลาดมีหมู่บ้านไม่ไกลมีทั้งโรงเลี้ยงเป็ดโรงเลี้ยงไก่โรงเลี้ยงหมูจึงมีถนนคนเดินบ้างมีถนนดินบ้างเป็นสะพานไม้บ้างถ้าถึงแอ่งน้ำผมเคยเดินเข้าไปเที่ยวบ้างบางวันแล้วก็ทางเดินของชาวบ้านไร่ที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูก็เป็นไปตามธรรมเนียมแฉะบ้างแห้งบ้างตรงไหนน้ามีก็มีสะพานตรงไหนแห้งก็มีดินเดินมีหนองแอ่งคูบึงเยอะแยะไปหมด มีทั้งจอกแหน่แล้วก็ดงบอนในถิ่นนั้นมีโรงหมูเก่าๆอยู่โรงหนึ่งเจ้าของตายลงก็ให้ลูกทาต่อแต่เลี้ยงหมูมาได้หน่อยก็เลิกลาไปเพราะว่าลูกชายแกเป็นหนุ่มเจ้าสำราญเอาแต่เที่ยวเตะเป็นเกณฑ์บางทีกลับบ้านบ้างไม่กลับบ้านบ้างลั่นกุญแจไว้แล้วก็ฝากเพื่อนบ้านให้ช่วยดูแล คนถิ่นนั้นลือกันนักว่าที่โรงหมูร้างนั้นผีดุที่สุดเป็นโรงหมูใหญ่แล้วก็มีบริเวณบ้านใหญ่เอาการเป็นธรรมดาล่ะครับโรงเลี้ยงหมูก็ต้องอยู่ห่างผู้คนเพราะว่ากลิ่นสกรปรกแรงนักความห่างบ้านอื่นนั่นเองเมื่อเจ้าของไม่ค่อยอยู่กลางคืนมืดทึบทั้งดงไม้ก็ช่วยปกคลุมอีกก็เกิดผีดุขึ้นจนเรื่องลือไปทั้งถิ่นนั้น พูดถึงเรื่องผีๆ ส, สางๆผมกับพี่ใหญ่และเข็ดขยาดเหลือทนวันหนึ่งเราสองคนเลิกงานกันตอนเย็นอาบน้ําตามลําคูแล้วก็มากินเล่ากันที่ร้านเจ๊ของเรากินกันไปคุยกันไปกับข้าวที่ผัดๆยำๆเจ๊ก็เอามาเลี้ยงกันเจ๊ก็ดื่มบ้างเล็กน้อยตามเคยขณะนั้นก็มีเจ๊กหนุ่มคนนึงเอาผักต่างๆมาส่งร้านเจ๊ตามเคยแล้วก็กินข้าวที่นั่นเป็นเจ๊ที่ชอบน้ําพริกผักต้มนิสัยเจ๊กไร้ผักก็ไม่ผิดอะไรกับคนไทยชอบกินเผ็ด ขมักเรียกกันว่าเจ๊น้ําพริกถ้าอายุแก่หน่อยก็กินมากพวกนี้พูดไทยชัดกันทุกคนเพราะว่าสังคมกับคนไทยเยอะเจอน้ําพริกเข้าก็อดไม่ได้เขากินไปพูดไปสูตรปากอย่างอร่อยกินอิ่มแล้วก็ต้องรีบกลับมัวช้าอยู่ข้ามลงจะลําบากผีดุจริงไอโรงหมูนั่นทางกลับของเราก็ต้องเดินใกล้มันซะด้วยบ้านคนอื่นเขาเดินห่างก็ได้เพราะว่าอยู่คนละทางเขากินข้าวไปก็พูดกับเจ๊เนยไปเคยถูกหลอกบ้างไหม พี่ใหญ่ก็วางแก้วเหล้าแล้วก็ถามถูกแล้วสิอัวก็ถูกเพื่อนอัวก็ถูกเขาหันมาพูดตาลุกวาลตามนิสัยมันทํายังไงมั่งละ่ะมันเดินอยู่ข้างโรงหมูห่มผ้าขาวคนละมั่งพี่ใหญ่ทักทวงแล้วก็หัวเราะคนอะไรกันเขาพูดตาลุกตาชันมันสูงเท่าหลังคาแน่มีผ้าขาวคลุมหัวเดินช้าๆแม้อัวนี่แย่ มันเดินกลับไปกลับมาเพื่อนอัวนเขาถูกเขาเห็นลูกอะไรขาวๆเท่าลูกมะพราะ้าวกลิ้งไปกลางดินไปหยุดนิ่งแล้วก็กลิ้งกลับเข้าไปต้นไม้อีกเขาตกใจยืนดูไอ้ลูกนั่นมันก็กลิ้งมาหาเขาอ้วนถูกอย่างเ้าเนี่ยอัวเองเนี่ยร้องตายเลยหนุ่มจีนเกิดในเมืองไทยเล่าไปก็ทําท่าหูตาลุกวาวไปลองถูกอย่างนั้นกลางวันไม่ลองเข้าไปดูมั่งหรอพี่ใหญ่ถาม ให้เกิดความสนใจแต่เจ้เนยนี่นั่งเงียบอยู่แต่ใต้ต้นไม้ไม่เคยถามอะไรเลยว่าเรื่องมันเป็นไปยังไงมายังไงท่าทางแกคงจะชินหูเพราะว่าใครๆที่มากินข้าวร้านของแกเนี่ย mm. ก็ต้องพูดกันเสมอเรื่องของผีดุรงหมูร้างมีคนเข้าไปดูกันพรหนุ่มนั้นเล่าต่อเขาเปิดโรงหมูเข้าไปกันหลายคนในเวลากลางวันก็ไม่เห็นว่ามีอะไรนะพื้นดินเรียบๆมีห้องใส่กุญแจอยู่สองห้องแต่ว่าอยู่กันคนละด้าน เขาว่าเป็นห้องนอนของเจ้าของใครจะกล้าไปเปิดของเขาดูล่ะใส่กุญแจไว้พี่ใหญ่รินเล่ากินแล้วก็นิ่งเงียบผมเน่ไม่พูดอะไรเลยเพราะว่าเข็ดขยดจริงๆเจ้เนยก็ยังคงนั่งหันผักนิ่งๆคล้ายกับไม่สนใจเจ้เนยคงชินหูเต็มทีผีโรงหมูเนี่ยพี่ใหญ่ถามโอ๊ยมันบ่อยละผีบ้านนี้เดี๋ยวคนนั้นก็ถูกเดี๋ยวคนนี้ก็ถูกหลอกซะมากไรคนแทงปลาแทงกบแล้วถูก บ, บ่อยจังเลย เพราะว่าบุกข้ามรั้วเข้าไปแทงปลาในแอ่งคูน้ําเค้าก็โดนดีเข้าน่ะสิคนเดินทางห่างบ้านน่ยไม่ค่อยจะโดนหลอกเจ้เนยพูดแล้วก็มองเจ็๊น้ําพริกนั่นเป็นเชิงถามว่าที่พูดอย่างนั้นจริงหรือไม่จริงจริงแล้วเจ็๊หนุ่มนั้นพูดพวกขโมยปลาเนี่ยถูกบ่อยอัวกับเพื่อนเนี่ยโดนหลอกห่างห่างเพราะว่าเดินติดรั้วเขาบางวันฝนตกถนนลื่นก็ต้องเกาะรั้วนั่นคราวหลังนี่ไม่เอาแล้วไปเดินอีกทางดีกว่าไกลนิดหน่อยแต่สบายใจดี ดีแล้วไปเดินห่างๆดีกว่าเล่นกับผีกับสางมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกเจ้พูดเตือนสติว่าอ้วไม่น่าเล่นกับเขานะแต่เขาเล่นกับอ้วนะพอหนุ่มพูดล้วก็หัวเราะกากพลังคิดสต่างท่าผักแล้วก็หักลบจ่ายค่าข้าวแกงเมื่อเรียบร้อยแล้วก็บอกลาพวกเราแล้วก็เจ้โดยกล่าวว่ากลัวค่ำมันจะกลับบ้านไม่ได้แต่ก็แปลกนะคนแถวนี้ทนเดินให้ผีหลอกกันอยู่ได้ผมพูด อ้าวแล้วจะให้ทำยังไงล่ะพ่อเรืองเจลากเสียงยาวก็บ้านมันอยู่ที่นั่นก็ต้องทนจะไม่เดินเข้าเดินออกมันจะได้เหรอเออก็ถูกของเจนะจะย้ายบ้านย้ายช่องก็ไม่ได้มันก็ต้องทนให้หลอกจะไปเจรจาอะไรกันได้ล่ะเรื่องผีนะ่ะพี่ใหญ่พูดตามเหตุผลมันเกิดมีผีขึ้นก็อย่าไปกล้ำกลายนั่นแหละดีเจพูดเราจะเข้าจะออกเยก็ไปแต่วันวันทอะไรก็ทาซะ ถำแล้วก็อย่าไปไหนพักเดียวมันก็เงียบไปเองผีน่ะไม่มีคนไปใกล้มันจะบ้าไปหลอกใครก็ช่างมันพี่ใหญ่กับผมเห็นจริงการจะไปเอาชนะผีไม่เห็นดีตรงไหนลงท้ายมันจะเข้าตัวเราดูแต่ที่พวกเราขนองรีดกันเมื่อเร็วๆนี้โดนผีวัตถภาณลองดีเข้าให้โอ้โแย่มาเลยแล้วก็โดนนายวันเข้าไปอีกแทบจะสิ้นใจเจ้มองดูกับแกลมที่พวกเราแล้วก็ร้องว่าเอ๊ะยังไง ต้มแกงผัดยำ ม, มีทั้งนั้นทำไมไม่ตักเติมล่ะกักเอาไว้ทําไมอีรังแต่จะบูดเน่าเอามากินซะให้หมดจะได้ล้างได้ทําของมันจะต้องทําใหม่อยู่แล้วเจพูดแล้วก็รีบไปตักมาเพิ่มเติมเรื่องเก็บเรื่องล้างเลยอย่าห่วงเลยพวกฉันจัดการเองเดี๋ยวเถอะขอกินเหล้าให้อร่อยสักหน่อยนึงพอกินข้าวอิ่มก็ลงมือละ ว, ว่าแต่ว่าลงมือปรุงน้ําพริกแกงไว้เถอะประเดี๋ยวฉันกับไอเรืองนี่จะเสกคาถาให้ละเอียดเลยพี่ใหญ่พูดแล้วก็ดื่มเหล้าเข้าไปกรวบใหญ่ คืนนี้จะค้างที่นี่ไหมเจ้ของเราถามไปทําไมกันนะไอ้ที่ทําถนนนะ่ะหมดกะหมดเวรแล้วก็อยู่ซะสบายๆที่นี่ไม่ดีเหรอไปนอนที่นั่นมันก็หนวกหูทั้งทุบดินแล้วก็รถบดดังลั่นนอนกินเหล้าบ้านเราดีกว่าเจ้พูดเอาใจเพื่ออยากให้ค้างอยู่เป็นเพื่อนเพราะแกต้องตื่นตั้งแต่ดึกขึ้นมาทํากับข้าวคนเดียวแต่เอ๊เขาว่ามีแม่พวกสาวๆไปขายขนมกลางคืนกันที่นั่นไม่ใช่หรอถ้าจะยังไงซะละมั้ง เจ้เนื้อยแกพูดแล้วก็มองหน้าเราสองคนพี่ใหญ่รีบโบกมือขวักขวายโอ้ยโอ้ยเปล่าเลยเจ้ไม่เคยสนุกเรื่องพันนั้นเลยเราไปก็ไปคุยกันกับพวกนักเกื้อแกแล้วก็ล้อเลียนเพื่อนขุดดินโรยกรวดสนุกสนุกไปเรื่องขนมเนอะเหรอเจ๊น่าจะรู้พวกนั้นถูกกันเมื่อไหร่ถ้ามีของข้าวกินกับเหล้าแล้วว่าอืมไม่ถูกสู้ตลาดเราได้เหรอก๋วยเตี๋ยวผัดเอ้ยเนื้อต้มเอ้ ย, อยวิเศษทั้งนั้น พี่ใหญ่ก็รีพูดเบียงบ่ายความจริงไปซะหากตามไปดูเราจริงๆก็จะพบว่าเฮโลอยู่กับพวกแมคค้าขนมนั่นแหละมีหลายเจ้าด้วยกันนิสัยของคนงานเร่ร่อนนะ่ะสนุกกันไปวันวันปากเปราะเราะรายพอน้ําลายแตกคอเรื่องจริงจังนะสาหรับผมไม่เคยคิดยังสงสารตัวเองอยู่เลยเร่ร่อนพเนจรไม่มีที่จะมุดหัวนอนตัวคนเดียวทํางานสร้างถนนได้ค่าแรงวันละสองบาทยังกระเดือกกระเดือกมีเมียเข้าก็งามละ จริงอยู่บางคนเขามีเมียโก้ค่าแรงเพียงวันละหกสลึงแต่เขามีบ้านมีช่องอยู่เขาก็ทําได้ไออย่างผมนี่นะจะพาเมียไปมุดหัวอยู่ที่ไหนล่ะให้ตายสิครับท่านที่เคารพตั้งแต่พเน จ, จรจากบ้านเกิดที่มาปโพมาเพิ่งจะมีเสือ่อมีมุง้งส่วนผ้าห่มนอนเพิ่งจะมีเมื่อสองสาวันนี้เองอย่างนี้นะเหรอจะมีเมียส่วนพี่ใหญ่เขาอาจจะได้เขาจะกลับบ้านเขาได้เพราะเขาไม่ได้หนีบ้านเป็นแต่ออกมาหางานทํา โอ้คุณที่เคารพครับคนทํางานรายวั น, นมีความหมายอะไรวันไหนทําก็ได้เงินถ้าไม่ทําก็ไม่ได้เดชะบุญที่นัเกื้อแก่จ่ายงามเราจะไปช้าบ้างเล็กน้อยแกก็จ่ายให้เต็มมิเช่นนั้นก็ถูกตัดไปตามชั่วโมงในขณะนั้นมีชายแก่คนหนึ่งร่างกาย ผ, มผอมๆเดินหนีบขวดเหล้าเข้ามาที่ร้านแกก็คือคนผูกถาดข้าวแกงที่นี่ทั้งเชา้าทั้งเย็นนั่นเองหน้าประหลาดนักแก่ป่านนี้ยังไม่มีครอบครัวจะอยู่กิน ชายคนนั้นวางขวดเล่าแล้วก็โคลงหัวไปมาเอา้าเป็นไงนะอ่ะําโคลงหัวมาเชียวข้าวปลาก็เตรียมไมว้ละจะเอาหรือยังล่ะเจของเราทักแล้วก็เดินเข้าไปหาโอ้ย oh, yeah, แย่ละฉันตาอ่ําโคลงหัวแล้วก็หัวเราะฮึ <c> ่ <oughs> ไอ้ลูกน้องสองคนมันลาออกไปแล้วเมื่อกี้คืนนี้ฉันก็โขกอยู่คนเดียวแต่อะไรอะไรไม่สําคัญถ้ามีอะไรขึ้นปะทะไวเะ้เลอะตาอ่ําพูดแค่นี้แล้วก็หยุดชงะงักคล้ายกับนึกขึ้นได้ ค่อยๆเหลียวมาดูเราสองคนอ๋อสองคนนี่นะพวกเราเองไว้ใจได้นิสัยดีเด็ดขาดเลยเจ้ J. ของเราพูดกับตาอำ่ำเราสองคนต่างมองหน้ากันเพราะไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าเป็นมาอย่างไรได้แต่มองดูเจ้กับตาอ่ำพูดกันเบาๆมันมีอะไรล่ะเจ้าสองคนนั่นถึงลาออกเจ้ J. เนยถามอย่างสนใจติดผู้หญิงละมั่งตาอ่าว่าก็ต้องรักษาคนเดียวสิเจ้ J. ถาม อะไรซะอีกล่ะเรามันแก่แล้วจะทําอะไรอะไรอย่างมันโอ้ยแข้งขามันจะพับเพราะมันต้องโยงขยงขยเก็กระีรีบหยุดอีกเพราะคิดได้ว่าพูดอะไรในเวลาไม่บังควรเราทั้งสองได้ยินชัดหูแต่ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันมันหมายถึงอะไรเราก็ก้มหน้ากินเล่ากินแกล้มเนื้อผัดพริกชี้ฟ้าอร่อยไปเอาเถอะเรื่องคนแทนชั่วคราวฉันจะหาให้แล้วก็พูดให้แอะอย่าทําเล่นๆ น, นะมันสําคัญนะ มันยังไงกันขึ้นฉันต้องหนีละ่ตะตาอ่ําพูดเรื่องที่ไม่ไว้ใจหรือยังไม่เห็นด้วยตามที่เจพูดฉันว่าค่อยๆไปก่อนเหนื่อยก็ทนเอาอย่าพิ่งดีกว่าตาอ่ําพูดตัดบทแล้วก็แอบจำเลืองดูเราโธเอ้ยเอาเถอะไม่ดีจริงไม่รับรองนะมีอะไรขึ้นก็อีเนยยังอยู่ทั้งคนนี่นาะเชื่อสิเสียงเจย์เราพูดอย่างผิดหูกว่าที่เคยคบกันมาเป็นเสียงเด็ดขาดและรู้สึกว่าตาอ่ําจะเงียบเสียง แต่ก็อดที่จะเหลียวดูเราแบบระแวงอะไรเราสองคนไม่ได้เราจึงทําท่าจะหยุดกินเหล้าจะออกไปเดินเล่นซะนอกร้านเขาจะได้พูดอะไรกันเต็มปากเดี๋ยวก่อนไม่ต้องไปไหนหรอกนั่งเถอะฉันจะพูดอะไรด้วยเจ๊ร้องห้ามเราและกวากมือเราให้เข้าไปใกลๆ้ๆนี่นะอ่ําเจ๊เรียกตาอ่ําแล้วชี้เราสองคนให้ตาอ่ํารู้จักนี่พ่อใหญ่นี่พ่อเรืองเป็นคนงานทําถนนหน้าบ้านเรานี่แหละเขากับฉันเนี่ยชอบพอแล้วก็รู้ใจกันมาก จะพูดอะไรหาหรืออะไรกันได้ทุกอย่างเราสองคนนิ่งอึง้งตาอ่าก็นิ่งยกเหล้าดื่มรวดเดียวหมดแก้วนี่พ่อใหญ่พ่อเรืองเจ้เนยเรียกชื่อเราเราก็มองหน้าแกอยู่เจ้ขอร้องให้ช่วยเหลือเจ้สักครั้งหนึ่งจะได้ไหมถ้ารับปากว่าจะช่วยได้โดยเต็มใจเจ้จะบอกอะไรให้เจ้เนยมาแบบพี่กนกับเราพี่ใหญ่มองหน้าผมอย่างหนักใจในคําพูดของเจ้เนยเจ้พี่ใหญ่เรียกถ้าฉันรับปากไปแล้วถ้าสิ่งที่เจ้ขอร้องนั้นละ่ะ มันเกินกว่ากําลังที่ฉันจะทําได้ฉันจะทํำยังไงล่ะโอ้ยไอ้หนักเน่ยไม่หนักอะไรหรอกทํางานหนักกว่าเจเน่ยพูดด้วยหน้าตาขรึมซึ่งเราทั้งสองคนไม่เคยเห็นอาการแบบนี้มาก่อนเอ้าถ้าต้องการเรื่องที่ฉันจะบอกให้ก็ตกลงกันมาก่อนจะต้องมีการสาบานกันกันกบฉันก่อนเมื่อฉันพูดอะไรออกไปแล้วพ่อเรืองพ่อใหญ่จะนําเรื่องราวและก็คําพูดของฉันไม่ไปพูดกับใครถ้าพ่อทั้งสองผิดคําสัญญาเราผิดใจกัน ฉันจะเสียใจที่สุดที่ฉันหลงรักคนผิดเสียใจจริงๆคนอย่างฉันรักใครแล้วก็ซื่อต่อกันจนตายเราจะมีการสาบานกันก่อนทำเมื่อฉันพูดอะไรออกไปแล้วเพราะใหญ่เพราเรืองไม่เห็นด้วยก็บอกได้อย่างซื่อๆว่าไม่ยอมตามที่ฉันขอร้องก็หยุดกันไปฉันจะไม่โกรธเคืองอะไรเลยแต่มีอยู่ว่าจะต้องปิดปากตามคําสาบานแล้วเราทั้ง3าก็คบแล้วก็รักกันต่อไปเช่นเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราทั้งสองคนถึงกับอั้มอึ้งเมื่อจบคําของเจ้เนยลง ฟังดูก็ไม่มีอะไรจะร้ายนักแม้จะเป็นการสาบานซึ่งดูเป็นเรื่องใหญ่แต่เมื่อเราไม่เอาด้วยก็ไม่มีอะไรเพียงแต่ขอให้เราปิดปากเท่านั้นพี่ใหญ่มองผมคล้ายจะถามว่าเราจะตกลงไหมผมพยักหน้าส่งเดชออกไปฉันยอมเจ๊ฉันยอมสาบานน้ำเกลือน้ำปา ร, ราก็เคยราดหัวฉันมาทั้งสองคนละพี่ใหญ่รับปากเจ๊เนยมองดูเราด้วยสีหน้าเครียดแล้วก็หันไปทางอื่นพร้อมกับพูดช้าชชัดถ้อยชัดคา การเอาน้ำเกลือน้ำปลาร้าพูดกันในที่นี้นั่นไม่ใช่รักกันพูดอย่างว่าจำใจพระทดแทนคุณคนอย่างเจไม่เคยคิดอะไรกับน้องสองคนในด้านนั้นทำทุกอย่างทำด้วยรักรักใจกันเสมอญาติแม่เจเข้าแกงคนนี้แต่ก่อนเราไม่เคยกลัวถ้อยคำหรือว่าเกรงอะไรกันเลยไม่คิดว่าจะได้ยินคำพูดอะไรแบบนี้ออกมาด้วยถ้อยคำที่น่าเกรงขามแล้วก็เป็นนักเลงเท่ากับชายอกสามซอก สมแล้วที่ครองตัวอยู่ได้ในตลาดนี้แต่ผู้เดียวผมกลืนน้ำลายเอื้อกฉันยอมละเจ๊ะฉันยอมโดยเต็มใจฉันขอโทษ ด, ด้วยที่พูดอะไรไปพี่ใหญ่พูดออกไปอย่างจริงใจแต่แหบเครือด้วยความเสียใจที่มาเจอกับนักเลงเข้าแล้วจะให้ฉันทั้งสองสาบานว่าอย่างไรก็บอกมาเลยสาบานว่าจะช่วยฉันด้วยใจจริงเป็นสัตว์ถ้าเห็นช่วยไม่ได้ก็จงเงียบปิดปากตายไปเลยถ้าสองคนไม่ทําตามคําสาบานขอให้มีอันเป็นปลายต่างๆ เดินทางทำงานเรื่อยๆไปอยู่เดี๋ยวนี้จงมีภัยตลอดทางหากอยู่ในคำสาบานและขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองเจพูดอา้าพี่ใหญ่รับปากเสียงหนักแน่นเจหัวเราะกากเมื่อได้ยินคำหนักแน่นของพี่ใหญ่ขอบคุณมากเพราะเอ้ยมิเสียแรงที่คบกันเจพูดพี่ใหญ่จัดแจงเทเหล้าใส่ถ้วยเป็นการสาบานที่จะเอาเหล้าเข้าเกี่ยวข้องด้วยแบบสาบานต่อหน้าน้ำเหล้าให้ดูหนักแน่นเข้าเจก็ดินของแกมาบ้าง เาสามคนก็พูดคำสาบานออกไปพอได้ยินแล้วก็ดื่มเหล้าและเจ๊ก็ดื่มพร้อมกับเราแต่เป็นที่น่าแปลกใจตาอ่ําก็ดื่มไปด้วยเช่นกันเจ๊ของเราหัวเราะ อ, อย่างเบิกบานแล้วก็จัดรวมวงเล่าดื่มแล้วก็กินเหล้าร่วมกันทั้งสี่คนผมนึกในใจว่าโลกนี้ยังกว้างนักผมยังเด็กเกินไปสําหรับโลกยังไม่รู้อะไรทั่วดูแค่ว่าเป็นผู้หญิงกลางคนคนนี้ดูก็ดูไม่ทั่วมีความรู้สึกว่าแกเป็นเพียงยายแม่ค้าเข้าแกงตลาดคนหนึ่งเท่านั้น มาบัดนี้ก็พบความจริงในตัวของแกเข้ามาหน่อยนึงว่าเป็นนักเลงคนหนึ่งเท่ากับชายอกสามซอกทุกคาที่แกพูดอะไรมานั้นมีน้ำหนักที่เราต้องเกรงใจตาอ่ำนั้นอายุมากแล้วคราวแรกกระดูไม่ออกคิดว่าแกเป็นผู้ใหญ่ที่เจเนยต้องเคารพแต่ลงท้ายจึงเห็นว่าตาอ่ำแกก็เกรงเจเนยแม่ไม้คนนี้อยู่สอีกคืออย่างนี้นะเจเริ่มต้นเรื่องที่เป็นจุดประสงค์ของแก คือคนแถวนี้เนี่ยมันกลัวผีดุที่โรงหมูนั้นน้องทั้งสองก็รู้อยู่แล้วความจริงน่ะมันไม่มีผีมีสางอะไรหรอกพูดแล้วก็ชี้มือไปที่ตาอำ่ำนี่แหละหัวหน้าผีที่โรงหมูนั้นเนี่ยเขาตั้งซ่องบ่อนการพนันกันกลางคืนหน้าอ่ําแล้วก็ลูกน้องเนี่ยเป็นยามเฝ้าแล้วก็คุ้มกันถ้าเห็นใครกล้ามกรายมาใกล้ความลับจะแตกก็เลยทําผีหลอกไล่มันไปถ้าไม่มีใครมายามก็เฝ้าอยู่เฉยเยเจ๊เนยหยุดพูดแล้วก็หวัวเราะ เราทั้งสองถึงกับเบิกตาโพลงผมเนี่ยตัวชาไม่คิดว่าอะไรอะไรมันจะเป็นไปแบบนั้นขั้นแรกผมก็แปลกใจอยู่แล้วที่เวลาใครๆมาเล่าว่าถูกผีหลอกที่โรงหมูนั้นเจ๊เนยก็ทําเฉยๆดูไม่สนใจถ้ามองเผลนๆก็ว่าแกเนี่ยเบื่อหูชินหูเพราะว่าฟังมาบ่อยๆที่แท้เรื่องมันก็เป็นแบบนี้นี่เองว่าแต่เจ๊จะให้ชันสองคนนี้ช่วยอะไรล่ะพี่ใหญ่ถาม ช่วยทำงานแทนคนที่ขาดไปในช่วคราวก็คงหลายวันหน่อยกว่าจะหาคนใหม่ได้ถ้าน้องสองคนรับช่วยนะเจ๊นี่แหละจะจ่ายค่าจ้างให้ล่วงหน้าทุกคืนคืนคนละหาบาทแล้วเจ๊จะคิดเอาที่นายบ่อนเขาคราวหลังเมื่ออะไรอะไรก็แจ้งออกมาแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนักแต่ว่ามันผิดกฎหมายหน่อยแต่ถ้าเพียงเราแทนช่วคราวกว่าเขาจะหาคนได้ก็ดูจะไม่เป็นไรแม้เราจะไม่ชอบการผิดกฎหมายแต่ก็เกรงใจเจ๊เนยผู้มีพระคุณต่อเรา ถ้าเราทำผีหลอกแล้วมันไม่กลัวแล้วมันยังบุกเข้ามาจะทำยังไงล่ะพี่ใหญ่ตั้งปัญหาถามตามอ่ำอ๋อนั่นมันขั้นสุดท้ายเราก็ต้องใช้ปะทะด้วยกําลังแล้วก็ทําเสียงเ อ, อะอะว่าขโมยเข้าปล้นทําเสียงให้ดังๆในฐานะเราเนี่ยเป็นคนเฝ้าบ้านนั้นอยู่เมื่อเราทําเสียงดังขึ้นทางพวกการพนันที่อยู่ข้างในได้ยินก็จะพากันรีบหนีออกประตูหลังไปทางด้านสวนฝรั่งแล้วก็ได้ผัก ที่เป็นบ้านของพวกเล่นการพนันด้วยกันเท่านั้นเองตาอ่ําอธิบายอ๋อทางทุ่งนาแล้วก็ได้ผักฝรั่งนั้นเป็นบ้านพวกที่มาเล่นทั้งนั้นหรอทั้งนั้นแหละใครตามเข้าไปก็สนุกสิลองนะ่ะสนุกดีสนุกด้วยได้เงินด้วยเจพูดกลางคืนเอาซะหาบาทเพียงครึ่งคืนก็กลับมานอนพวกเล่นนะ่ะมันเล่นกันอย่างเก่งก็ห้าทุ่มเพราะว่าเช้าขึ้นเขาต้องทํางานไร่กันทั้งนั้นตกลงเอาคืนนี้เลยเจ๊ J. จ่ายเงินล่วงหน้าให้เลยเอาไหม และวิธีแล้วก็แผนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวน้าอ่าจะสอนให้เองอาวุธยุทธภัณฑ์ก็มีพร้อมทุกอย่างเราสองคนก็เลยโมเมรับงานตามนั้นคิดว่าทำสนุกสองสาคืนพอหาคนได้ก็เลิกกันเจ๊เนยจ่ายเงินให้เราทั้งสองคนเมื่อเราอิ่มข้าวแล้วก็ช่วยล้างถ้วยล้างชามล้างหม้อให้เรียบร้อยกว่าจะออกจากร้านได้ก็จวนข่าแหลมีข่าแหลแต่อ่ำบอกว่าเราจะเดินทางตรอกหลังตลาดนี่ไม่ได้หรอกต้องรักษาความลับ ต้องออกถนนใหญ่ไปเข้าทางบ้านไร่ผักไร่ฝรั่งโน่นแล้วก็เดินเข้ามาหลังโรงหมูได้เพราะว่าทางนั้นมันมืดดีแล้วก็รับตาคนชาวไร่หลังโรงหมูพวกนั้นเป็นพวกเดียวกับเราการพนันทั้งนั้นพวกพ่อค้าในตลาดนี่ก็หลายร้านจะไปรวมกลุ่มกันตอนค่ำผมรู้สึกตื่นเต้นพิลึกเมื่อเดินตามตา อ, อ่าเข้าโน่อนออกนี่เสียงชาวไร่ร้องถามจากมุมมืดบอกอา้าลุงอ่าเหรอใช่สิอ่ำนั่นแหละ เสียงผู้ถามที่เรามองไม่เห็นตัวเขาบังเงามืดทางโรงติเตี้ยของเขาพร้อมกับหัวเราะฮึๆเราได้เข้าประตูโรงหมูอย่างมืดปิดประตูแล้วก็จุดตะเกียงก็เกิดความสว่างขึ้นครั้นแล้วตาอ่ําก็ไขกุญแจห้องหนึ่งที่เจ้าหนุ่มเจ๊กน้ําพริกเนี่ยเล่าให้ฟังเมื่อตอนเย็นนี้ว่าในโรงหมูนี้มีห้องใส่กุญแจอยู่สองห้องเราเข้าไปในห้องนั้นไม่มีของอื่นๆเลยมีแต่เสือหลายผืนแล้วก็หมอนเยอะแยะ ตาอ่ําให้เราช่วยแบกม้วนเสือมาปูที่โรงหมูที่มีพื้นที่ดินราบเรียบทางด้านน้นมีห้องใสกุญแจอีกห้องหนึง่งแต่ว่าตาอ่ํายังไม่ได้พาเราไปดูว่าเป็นห้องอะไรเราจุดไฟอย่างนี้ข้างนอกจะไม่เห็นแสงเหรอผมถามไม่ลออ้อกตาอ่ําตอบฉันอุดช่องอย่างทั่วไม่มีแสงรอดประเดี๋ยวออกไปตรวจดูได้แต่ส่วนทางด้านหลังติดกับไรของนักพนันเนี่ยเราปล่อยแสงออกไปบ้างเพื่อบอกให้เขารู้ว่าทางเราเนี่ยพร้อมและ เขาจะได้มากันเมื่อเราออกมานอกโรงหมูแล้วเราค่อยๆบังซุ้มไม้ที่ยืนต้นบ้างแล้วก็ที่ทําเป็นรั้วกั้นล้อมโรงหมูดูออกไปทุกด้านที่มีแอ่งน้ําคูน้ําที่กบเขียดกําลังร้องกันขลมเป็นความจริงที่นี่อยู่ห่างบ้านคนมากพวกจับปลาจึงหาโอกาสลักลอบเข้ามาจับปลาเราแอบดูอยู่ครู่หนึ่งไม่เห็นวิแววว่าจะมีใครเข้ามาเพราะว่ายังกลัวเดชผีปลอมของตาอ่ําอยู่ เมื่อเห็นไม่มีอะไรเราก็ตรวจแสงไฟข้างในวัดลอดออกมาหรือไม่แต่ก็เรียบร้อยดีมืดทึบน่ากลัวดีแล้วจึงกลับเข้าโรงหมูอีกยืนคุยกันเพราะว่าขาพนันยังมาไม่พร้อมผมสงสัยจริงๆนะคุณตาพี่ใหญ่พูดกับตาอ่ํำใจเนยแกชอบกับนายบ่อนนี้มากเหรอถึงจ่ายเงินค่าจ้างแทนเข้ามาก่อนอ้าวตาอ่ําร้องแล้วก็มองหน้าเราก็แม่เนยนั่นแหละเขาเป็นหุ้นส่วนใหญ่ในบ่อนนี้แล้วก็โรงหมูนี้เนี่ยแม่เนยก็เช่าจากเจ้าของเข้าไว้ อําพูดแล้วก็หวัวเราะผมสะดุ้งวา่าบโอ้คุณพระช่วยไม่คิดเลยว่าจะเป็นไปได้เจเนยแม่ค้าข้าวแกงหน้าตาโงโง่ไม่เอาเรื่องเอาราวกับใครขายข้าวแกงตัวเป็นเกลียวชอบดูลิเกแล้วก็รักคนหนุ่มๆอย่างพี่ใหญ่ก็คือตัวเจหัวหน้าบ่อนการพนันอย่างลับๆพี่ใหญ่ตกตะลึงงงงนินผมมองหน้าตอ่ําแล้วก็ถามอะไรที่อยากจะรู้อีกครั้งหนึ่งลุงอ่าแล้วเวลาที่เราทําผีหลอกเขาเนี่ยจะอาอะไรทํากันบ้าง อ๋อตามแต่จะมีบางคราวก็ทําเสียงแปลกๆ ก, ก็ได้ไอ้พวกนั้นก็วิ่งกันอา้าวแล้วของประกอบก็มีมุ้งในห้องนั้นแหละเอาหมอนหนุนนี่แหละผูกปลายไม้เข้าแล้วก็เอามุ้งคลุมอีกทีหนึ่งเมื่อเรายกไม้ชูให้สูงก็จะเห็นว่ามีคนร่างสูงมีผ้าขาวคลุมหัวบางทีก็เอาลูกมะพร้าวห้าวมาผูกเชือกให้ดีแล้วก็เอาปูนขาวทาทิ้งไว้ให้แห้งถ้าจะทําผีก็ผลักลูกมะพร้าวออกไปจากที่ซ่อนแรงๆแล้วก็หยุดนิ่งสักครู่หนึ่ง แล้วก็ค่อยดึงเชือกให้มันกลิ้งกลับมาแล้วก็โยนไปยังทิศอื่นบ้างอย่างนี้แหละตาอ่ําอธิบายพี่ใหญ่อ้าปากแล้วก็พยับหน้ารับว่าเข้าใจดีผมรู้สึกว่างานนี้ไม่ยากอะไรระวังพวกหาปลาตอนโพ ร, รเพสหรือหัวค่ำหน่อยแล้วก็ตอน3ามสีทุ่มอีกทีส่วนพวกเดินทางจะไม่มีใครกล้าเดินเฉียดแน่เราจะไม่มีอะไรที่ต้องระวังพอสี่ทุ่มห้าทุ่มนักพนันเลิกแล้วเราก็กลับไปนอนกันเช้าขึ้นเราก็ไปทํางานสร้างถนนกันตามเคยคุณตาครับ เรามีอาวุธบ้างไหมถ้าหากว่ามันมีใครดื้อดึงปัดโทใครจะมาดื้อดันกับผีล่ะอีกอย่างที่นี่ก็เป็นที่ที่มีเจ้าของใครจะกล้าดื้อเข้ามาหาตารางทำไมอาวุธน่ะมีแล้วก็อยู่ในห้องนั้นแหละมีทั้งดาบกระบองสามง่ามอ่ะแล้วถ้าตำรวจละ่ะลุงอาําอ๋อตำรวจเหรอกองสอดแนมไม่เนยเขาเยอะตำรวจจะมาก็รู้ก่อนแล้ววันนั้นเราไม่ติดบอ แล้วก็เราก็รู้อยู่ว่าตํารวจจะเข้ามาก็มาทางเดียวคือทางข้างหน้านี่แหละส่วนทางด้านหลังก็เป็นบ้านของพวกการพนันทั้งนั้นตํารวจจะเข้าบ้านเขาก็ต้องบอกให้เขารู้ตัวจะเดินผ่านบ้านเขาเฉยๆได้เมื่อไหร่ล่ะมันมีรั้วบ้านนี่นาะตาอ่ําพูดอ่ะถ้ามาทางทุ่งล่ะลุงอ่ําเพราะว่ามันโล่งนะทางทุ่งนะ่ะมาได้จริงแต่ก่อนมันจะใกล้โรงหมูเข้ามาก็มีบ้านพวกเราอยู่ต้นทางหมาก็จะเห่ากันขลับเลยเขาก็มีหมามาก เขาฟังผิดหูเขาก็เลิกเล่นรีบหนีเข้าได้ผักไร้สวนฝรั่งแล้วตำรวจมาก็พบแต่เราที่นอนเฝ้าโรงหมูเขาเท่านั้นตาอ่ําอธิบายตลอดทุกข้อเราสองคนก็เบาใจได้เราเข้าไปดูในโรงหมูกันเถอะป่านนี้ลูกค้าคงมากันหมดแล้วแหละตาอ่ําว่าเราพากันเข้าไปข้างในก็พบกับลูกค้าหลายคนมีทั้งเจกมีทั้งไทยตาอ่ําชวนเราสองคนเข้าไปอีกห้องนึงที่ใส่กุญแจตาอ่ําบอกว่าห้องนี้เก็บเครื่องมือเล่นทั้งหมด เราต้องเอามาให้เจ้ามือแล้วก็ให้ผู้เล่นตอาอ่ำไข่กุญแจแล้วก็หิว้วตะเกียงนําเข้าไปเราก็ตามเขาเข้าไปพร้อมๆกันพอแสงสว่างเต็มห้องผมกับพี่ใหญ่เนี่ยถึงกับเซถอยหลังเพราะตกใจเพราะมุมห้องนั้นมีลงศพวางอยู่บนเตียงเตียเต้ยๆแล้วก็มีกระถางทูบวางอยู่ทั้งมีทูบที่จุดดับแล้วอยู่มากกา้านแสดงว่ามีคนบูชาศพอยู่เสมอไม่มีอะไรลอกตาอ่ําว่าแล้วก็เดินไปที่ลงศพ แกเอามือรูปๆที่ฝาลงแล้วฝาลงก็กระดกเปิดขึ้นผมสะดุ้งพังอะ่ตะตาอ่ําพยักหน้าให้เราเข้าไปดูเอ๊ะธุระอะไรกันล่ะจะให้ไปดูศพ บ, บ้าหรือเปล่ามีศพเมื่อไหร่เล่าตาอ่ําว่ามาช่วยกันยกลังเครื่องมือไปเถอะเราสองคนยังอึอดอัดลังเลแต่ก็อายใจที่ว่าเหมือนขาดสิ้นดีก็เลยใจแข็งเดินเข้าไปเมื่อชะโงกเข้าไปดูก็เห็นเป็นความจริงมีลังใส่เครื่องมือเล่นการพนันนั้นเนี่ยเป็นโรงเปล่าโรงผีเนี่ยนะ ไม่เนยเขาบงการให้ฉันซื้อไม้มาต่อเองที่นี่รันจะซื้อลงที่เขาทำไว้แล้วหามกันมามันก็จะเกิดคำถามว่าใครตายกันเราเอาเป็นที่รวงตาเพื่อเก็บของกลางถ้าตำรวจมาก็ไม่อยากจะดูธุระอะไรจะเปิดลงศพเล่นทั้งกระถางทูปก็มีทูปจุดเห็นเห็นอยู่บอกอยู่แล้วว่ามีคนบูชาศพผมกับพี่ใหญ่โล่งอกไปแต่ก็หวนคิดไปถึงแมค่ค้าข้าวแกงผู้น่ากลัวโอ้โหแกมีหัวหลักแหลมจริงๆกลายเป็นที่น่ากลัวซะแล้ว ที่ผมคิดว่าแกรักพี่ใหญ่อย่างชู้สาวนะ่ะผิดซะแล้วแกก็คือตัวเจ๊แกจะรักกับใครแกก็ต้องมีคนรักของแกในจําพวกนักเลงด้วยกันแกจะมารักอะไรกับพวกสวะสวะอย่างเราที่ทําไปทุกอย่างก็เป็นนิสัยของนักเลงใหญ่ที่จะมีลูกน้องเวลานี้ผมกับพี่ใหญ่ก็ตกเข้ามาเป็นลูกน้องของแกเช่นเดียวกันกับตาอ่ําที่ผมว่านี้ไม่ใช่จะเกิดความกลัวแล้วก็เกลียดเจ้เนยก็หาไม่แต่ว่าเป็นการทําให้เกิดความเกรงในตัวของแกเท่านั้น เลิกมีความรู้สึกว่าแม่ค้าตลาดเนี่ยกลับนับถือว่าแกเป็นผู้ใหญ่ที่ควรนับถือหรือว่าเป็นนักเลงที่ควรนับถือในคืนนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้แสดงผีกันเลยเกรงกันอยู่เฉยๆจนพวกการพนันเห็นดึกพอควรก็เลิกกันไปพวกเราก็จัดการเก็บอะไรต่ออะไรแล้วก็กลับพร้อมกับพวกชาวได้จีนวนกลับมาร้านเจเป็นครั้งแรกผมนี่รู้สึกเกรงเจมาก ทั้งที่แกก็ดีอย่างเคยเอาอกเอาใจเราเสมือนว่ามีเราอยู่สองคนนี่แหละที่เป็นผู้คุ้มกันแกโอ้ยไม่เสือหญิงคนอย่างนี้ถ้าจะฆ่าเราเมื่อไหร่ก็ตายเพราะว่าเราไปคิดว่าแกบ้าลิเกบ้าคนหนุ่มหนุ่มเราก็ดูถูกแกในใจมันเกิดจากไก่อ่อนอย่างผมแล้วก็พี่ใหญ่เพราะไม่เคยมีเลือดนักเลงถ้าจะเป็นได้ก็เป็นแค่นักเลงชั้นเลวไม่ใช่ผู้ใหญ่การเป็นยามเฝ้าโรงบ่อนของเราเป็นไปหลายคืนโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น จนคืนหนึ่งได้เกิดอลาวนกันขึ้นแต่ไม่ใช่เหตุข้างนอกเกี่ยวกับพวกเรากลับเป็นเหตุภายในของพวกเล่นการพนันก็คือเจ้าของไร่ฝรั่งเนี่ยไปชวนเพื่อนนัเกเลงการพนันมาใหม่สองคนอีกคนนึงเกิดขอเป็นหัวเบีย้ยหรือว่าเจ้ามือคืนนั้นเจ้ามือกินใครต่อใครหลายคนเรียบวุฒไปเลยเจ้าเพื่อนอีกคนที่มาด้วยกันก็เกิดทะเลาะกับเพื่อนของเขาเองว่าเจ้ามือเนี่ยโกงก็เลยเกิดวางมวยกันขึ้นแต่ว่านักพนันทั้งหลายก็ได้ห้ามปรามกันไว้ได้ก็เลยบ่อนแตก จึงเลิกกันแต่หัวค่ำครั้นเลิกกันไปแล้วพอออกพ้นรัว้วชาวไร่ออกสู่ถนนเพื่อนนักพนันคนนั้นก็เกิดทุ่มเทียงกันอีกแล้วก็ลงมือท้าทายซึ่งกันและกันอีกคนหนึ่งถูกแทงเข้ายอดอกล้มลงแต่ร้องขึ้นสุดเสียงพวกในไร่ปลูกบ้านอยู่ใกล้รัว้วได้ยินเสียงก็เฮกันออกมาดูแต่คนทำร้ายเนี่หนีไปแล้ว เสียงเอะอะนี่เองตำรวจก็เลยวิ่งมาดูด้วยจึงช่วยกันพยุงคนเจ็บที่รอดแรกไปสถานีตำรวจแต่ว่าให้การไม่ได้ก็สอบสวนพวกที่เห็นเหตุการณ์ทั่วไปก็เห็นห่างๆว่าเป็นการต่อสู้เพียงตัวต่อตัวแล้วก็ผู้ทำร้ายก็เนี่ยวิ่งไปแล้วจึงยังไม่ได้ความอะไรออกมาในเดี๋ยวนั้นทั้งผู้บาดเจ็บก็ได้ขาดใจตายไปด้วยที่สถานีตำรวจนั่นเองรงบอนของเราต้องหยุดพักชั่วคราวถือเอาว่าเริกไม่ดีต้องพักก่อน เราก็เลยนั่งคุยนอนคุยกันที่บ้านเจในเวลาเย็นแล้วก็กลางคืนผมกับพี่ใหญ่ช่วยเจยทําทุกอย่างพี่ใหญ่ล้างชามผมตําน้ําพริกแล้วก็ตักน้ําใส่โอง่งก็คือน้ําที่ลํากระโดงข้างถนนนั่นแหละแกแกว่งสารส้มแล้วก็ใช้ทั้งอาบทั้งกินในสมัยโน้นนี่พ่อน้องของฉันทําอย่างนี้แล้วอย่าพูดนะว่าทําเพื่อแลกน้ำเกลือน้าําปลาละจะเนยพูดขึ้นมาอย่างล้อเลียนแต่ผมเสียวใจร้องตอบไปว่าทําอย่างญาติเจแกก็หัวเราะกาก คืนหนึ่งเรากินข้าวกันแล้วที่ร้านก็บอกเจว่าจะขอไปเยี่ยมแล้วก็ไปคุยกันกับนักเกือสักหน่อยประเดี๋ยวก็กลับแล้วเราสองคนก็ไปคุยกับนเกือแต่เราไม่คุยเรื่องอาชีพยามเฝ้าซ่องเลยปิดเงียบตามคำสาบานล้อเลียนเพื่อนฝูงแล้วก็แม่ค้าขนมเล่นพอควรแล้วก็กลับ พอกลับเข้าร้านก็ผิดตาผิดใจเห็นตาอ่ํานั่งตัวสันเทามีพวกขาการพนันชาวไร่อยู่สองคนและก็ชาวร้านค้าในตลาดนั้นสองคนก็ได้ความว่าตาอ่ำเนี่ยแกถูกผีหลอกที่โรงหมูผมเกือบหัวเราะเหมือนเขาพูดเล่นกันก็ตาอ่ําก็คือผีตัวเดียวที่กลับถูกหลอกมาทําตลกกันเล่นเรื่องนั้นมีว่าชาวไร่ฝรั่งสองคนเนี่ยซึ่งเขายังไม่กลับบ้านยังคงตรวจดูสถานที่ไร่ของเขาตอนเพลว์เพล ได้ยินเสียงตะอ่ำร้องอยู่ในโรงหมูก็เลยพากันวิ่งเข้าไปดูเห็นตะอ่ำล้มคว่ำหน้าอยู่หน้าห้องที่มีโรงผีเก็บเครื่องมือการพนันนั่นแหละตะอ่ำตัวสั่นพูดอะไรไม่ออกก็เลยพยุงตัวมาที่ร้านเจเมื่อคนมากแล้วตะอ่ำก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่ถูกผีหลอกในโรงหมูแกบอกว่าคือว่าโรงบ่อนจะต้องหยุดพักอย่างไม่มีกําหนดกว่าขาพนันจะใจคอดีขึ้นตะอ่ำก็เลยไปตรวจดูให้เรียบร้อย เมื่อใส่กุญแจห้องเก็บเครื่องมือและแกได้ยินเสียงเหมือนใครอยู่ในห้องนั้นแกก็เลยสงสัยวิ่งมาหยิบดาบแล้วก็กลับไปไขกุญแจเข้าไปอีกก็ไม่เห็นมีอะไรแต่เกิดมีเสียงดิ้นอยู่ในโรงผีปลอมนั้นคลุกคลักคลุกคลักแกก็เลยชักนิ่งงนันถ้าจะเป็นหนูซะแล้วแต่ทําไมเสียงมันหนักหนักแกก็ไหวไปว่าหรือว่างูเหลือมจะแอบเข้ามาเลื้อยตอนที่เปิดฝาโรงทิ้งไว้แกจะเงื้อดาบคุมเชิงแล้วก็ลูบสปริงฝาโรงเมื่อแกเอาดาบแงะ ที่ฝาลงให้เปิดเต็มที่แกก็ต้องร้องสุดเสียงแล้วก็แผ่นออกมานอนคว่ำหน้าห้องเพราะเจ้านักพนันที่ถูกฆ่าตายแล้วก็ไปตายที่โรงพักเนี่ยมานอนอยู่ในโรงศพในตาถลนกําลังขึ้นอืดผมกับพี่ใหญ่ไม่ได้ถูกหรอกด้วยแต่ก็ขาสั่นปากสั่นไปด้วยทางลูกค้าการพนันและเจ๊เนยหรือตัวเจ๊ของเราต่างก็หน่าซีดไปตามๆกัน